Sama Sambutatsa Namutatsa Pag-uat-ho Arat-ho Sama Sambutatsa Namutatsa Pag-uat-ho Arat-ho Sāvakasangkō Sa si imatsa dhamma pariyāyatsa attho sāthāyatsamantihi ฟังธรรมย่อมนําไปสุเร็จเป็นบุญเป็นกุศลอย่าง ธรรมทั้งในส่วนภายนอกภาย ทรงบัญญัติก็ดีกล่าวครูศีลและการที่พวกกันฟัง และปฏิบัติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการเจริญ ภูมิภายที่ใจเกิดเป็นยอดสว่างได้สําคัญ อย่างยิ่งยิ่งกว่ามีดอกไม้บูชาของหอมหลายด้วยอามิตร โภชนาหารทั้งข้าวและหวาดผ้าผ่อนถนสบาย ทั้งดังนั้นทั้งมวลดังนั้นพวกเรา แก้ไขตนของตนให้เป็นพื้นฐานให้เป็นพื้นฐานหรือ และการฟังธรรมดังที่กล่าวมาของการสดับรับฟังนั้น ตามที่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการฟังด้วยดีทรงปัญญาดังนี้ การฟังด้วยดีนั้นฟังด้วยให้ดีตามที่เราในคุณของประสงค์ฟังขึ้นมาเพื่อแสดง ธรรมสู่กันฟังในวันผู้ปฏิบัติดี ของดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมีพระซึ่ง ดำรงอยู่ซึ่งยังไม่ถูกต้องอยู่ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาซึ่งยัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจิตใจเฉพาะเราทุกท่านก็ได้มีการปรับปรุงอยู่แล้วด้วยข้อปฏิบัติจิตเราทุกท่านทุกคน ต่างก็มีศีลโดยเหมาะสมแก่ฐานะภาวะ 227 เป็นสามเณร 10 เป็น ก็และอย่างวันนี้ศีล 8 และอย่างวันนี้ ผู้ที่มีศรัทธาไม่แก่กล้าถึงขั้นโทษอันจะ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตด้วยข้อปฏิบัติคือ กายวาจาของเราก็จะดำรง และสิ้นนี้ศีลโดยความเป็นปกติจะดำรงทรงอยู่โดยความ ที่เราทั้งหลายเราก็จะต้องอาศัยหลายได้ตั้งใจไว้นั่นก็จะ มีการสำรวมหรืออยู่ด้วยการสำรวมการ ของการไม่ดังนั้นปัจจุบันนี้ศีลและไม่มีธรรมดัง เป็นปกติดียังคงเหลืออยู่ก็คือ เรเราก็จะเอาจิตใจเข้า ไม่ได้เป็นไม่ใช่เป็นเสียงเพลงไม่ใช่เป็นเสียงดนตรีซึ่งเป็นเครื่องชโลมโลกให้เกิดความเครื้มและรุ่ง อยู่ในที่ฟังไม่เกิดความเข้าใจแก่แจ้งในข้อ ต่อรักในการฟังแล้วการฟังและก็แน่ เรียกว่าใน 25 จิตใจของผู้ฟังย่อมเกิดความผ่องใสดังนี้จิตใจคือความผ่องใสหนึ่งจิตใจ ลงสู่ความสงบระงับแล้วก็ตั้งเป็น เกิดจากจิตคือความสงบและความสงบนั้นสืบเนื่องมาจากจิตรู้ อยู่ในการฟังกับระลึกรู้อยู่ในข้อปฏิบัติ ผู้ทุกท่านทุกคนภาวนาทั้งหลายทุกท่านทุกคน หรือบทธรรมบทใดบทหนึ่งก็ เป็นเครื่องเจริญของปัญญาอาการ 32 เหล่านี้เป็นต้นนั่นอารมณ์หรือเป็น หรือเป็นธรรมเหมือนกันหมดและทุกอย่างที่ นวงเนียวหรือน้อมเนียวหรือน้อมเข้ามาตั้งเพื่อระลึกและคําความ สติสิ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้เมื่อนี่คือเป็นตัวงาน ในปัจจุบันที่พวกเราทั้งหลายถือเอา ธรรมรมหรือว่าอรมณ์กรรมฐานให้ปรากฏในสมาคมนี้และตลอดทั้งการกิจ และอื่นๆการเราทุกท่านเราท่านสิ่งที่เราเห็น ตามภูมิได้ทรงจัดสอนไว้ของนักรู้และเข้าใจแล้วบัณฑิต เป็นงดเว้นที่จำต้องงดเว้นละวางแม้มีอยู่ในตนมาแต่การ ในความเป็นปกติคือไม่เกิดบากเป็นปกติยังเกือนคนดูด้วยไม่เกิดบาปกันอีก ที่จะชำระและแก้ไขตกต้องคุ้มครองตน หรือพอสมควรแล้วพอสมควรแล้วเราทั้งหลายก็ไม่หยุด ให้เกิดความรู้สึกที่หิวกระหายเกิดความรู้สึกที่หิวกระหายต่อการบูญ ได้พากันลุกขึ้นมาและมีประกอบบำเพ็ญธรรมที่ควรเจริญได้แก่คุณนามความดี ตระตะมลฤทธิ์ซึ่งเรียกว่ามักของการทําได้ทางอันควรแก่ จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเว้นเสียจากการปฏิบัติไม่ดีโดยมีความเป็นอยู่ ประกอบด้วยยบททั้ง 4 ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มคำพูดและ ความคิดก็เช่นกันคิดที่ประกอบไปไม่โลภไม่โกรธไม่ คือเห็นผิดเป็นชอบเรานึกคิดคิดระลึกถึงแก่การทําดีทําแล้ว ได้เชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีผู้ชูเป็นผู้ปฏิบัติตรงตรงต่อหลักของความจริงด้วยคํา ควินัยที่จะมากที่สุดจนถึงน้อยที่ 227 น้อยที่สุด และก็ได้วางศาลโทษไว้ด้วยเหมือน เป็นอย่างการตรบหรือยกเก่าขันธ์ 5 แต่แก่ สัญญาคือรูปเสียงกลิ่น หลักของการบำเพ็ญปฏิบัติตาหูจะบุกรินคําสอนของ และก็จะย่อลงมามีอยู่สามประเภทหรือสามลักษณะด้วยกันนี้ก็จะย่อลงบุญเป็นกุศล เป็นลักษณะมีลักษณะบอกถึงการกระทำเป็นไปกับ อกุศลเป็นบาปมีลักษณะในการเบียดเบียนทำลาย อปยาคตธรรมะธรรมที่เป็นกลางๆไม่จัดเป็นบุญเป็นบาปมีลักษณะ ในบทบทในแม่บทคือมาติกาตัวนี้นั่น ทั้งในด้านของการปฏิบัติเป็นไปใน ในเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องในทางใจขึ้นเรียกว่าเราบีจนเป็นเหตุให้เกิด เหล่าผู้ปฏิบัติจะมีจักขุคือตาในสั้นๆและ ปรับทรงแก้ไขจิตใจของพวก แล้วก็ร่วงไปเป็นอดีตแล้วก็เหล่านี้ก็ดีไปเป็นอดีตแล้วเป็นความพอใจ ในความใครความใคร่กามก็แปลว่าความใคร่แปล ความรักระหว่างพ่อแม่และลูกถือว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่บริสุทธิ์ใน แต่กามฉันทะแต่ว่าความพอดีความซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นกิเลสนี้ ภายในหัวใจของคนและสัตว์ความเบียดเบียนหรือความพยาบาทเราแปลทับศัพท์ได้แก่ความพยาบาทความมาคาทความจอง ยังกลางมีอยู่ในจิตใจของคนความซ่วงเหงาเศร้าเซาจิตใจไม่ นอนหลับครับสิทธิ์อันตนจะพึงได้พึงถึงพึงมี ขึ้นมาในจิตของตนแม้แต่เพียงหนึ่งหฤทัยได้วิจิกิจฉาเต็ม แสงสีเป็นต้นเป็นการเกิดอาศัยตาเรียก ในปัจจุบันปัจจุบันเพราะเราไม่มีสติและอยู่ในทินฐานที่เราต้องการและปรารถนา ไม่ว่าจะเริ่มต้นและทํากลางและก็บ้าน ถ้าไม่มีคุณธรรมทั้ง 9 ต่อ 4 เรื่องซึ่งความดีนี่เราจะ ทุกท่านมีลูกเป็นต้นคนให้ซึ่งมันนอนเนื่องจาก มาเป็นเวลาเป็นเวลานมนานกาลเองคือ มาโดยตลอดและคิดของคิดเชื่อเป็นเนื้อเดียวกันมันแนบ ยงสิ่งทั้งหลายภายนอกมีกายเป็นต้น น้ำนั้นเป็นน้ำน้ำมันขาวใสบริสุทธิ์มอง จักรคนก็ความใสไม่คนก็ตามและแสดงความจรัดแสงของมัน อันนี้มีอุปมาจังใดสิ่งทั้ง ออกไม้เห็นเป็นส่วนเป็นสัตว์มาเห็นเป็นหรือแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่า ธรรมเหล่านี้เป็นไปโดยถูกต้องแหละเราผู้ปฏิบัติทั้งหลาย และธรรมที่จะนําให้เราเกิดความ ถ้าพวกเราท่านทั้งหลายไม่ขี้เกียจที่ค้านไม่เห็น การแสงของกิเลสโดยอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสนั้นเป็นเครื่องเหมือน ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม้ในปัจจุบันก็พอที่ แก่ดับทำลายขันธ์เพราะฉะนั้นสู่ก็เช่นเดียวกันไปแล้วก็ เป็นต้นว่าศรัทธาพลังกำลังของความ ไยยังคงมีแต่ มองเห็นชีวิตของเราชีวิตของเราแม้จะพอที่จะเป็นมักเป็นผลมาสู่ตัวของเราได้ 100 ปี ยังยังไม่เต็มขั้นแก่กล้ายังไม่เต็มขั้นที่จะ ด้วยอำนาจของกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นเมื่อหนาด้วยนี่แหละคือ เมื่อเรามาประกอบความเพียรมีกําลัง มั่นเป็นความดีทั้งส่วนภายนอกภายในเป็นลักษณะของวิริยะ ไม่ขี้เกียจที่ค้านมันก็เหมือนกับรูป ในขนาดที่เราถูกหลอกล่อด้วยลูกเสียงกิเลสสัมผัสและธรรมรมอย่างใดอย่างหนึ่ง สันติความหมดคนหมดตนธรรมะความข่มจิตข่ม ถึงผลของด้วยข้อปฏิบัติที่เรา คือมาควบคุมกายวาจาได้ 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 ไม่ว่าจะเป็น กราวขยายความออกไปเป็นอาจเป็นคํากว้างบ้างแคบนี่ก็ได้ชื่อว่า เป็นหลักการที่พวกเราทั้งหลายจะพึง คันๆด้วยการเป็นผู้มีสติมีพลัง ปัญญาได้แก่ความรู้ตามเป็นจริงจะรู้อะไรก็ได้จะ มันไม่ใช่คํานะไม่ใช่ธรรมนะคําว่าไม่เป็นธรรมนั้น ข้อคําสอนของพระพุทธเจ้ามีมากถึง 84,000 3 ส่วนพระสูตร 3 ส่วนนั้นเมื่อรวม 3 ลักษณะดัง อกุศลธรรมอปยากตะธรรมส่วนหนึ่งเป็นธรรมนี้เป็นต้นส่วนหนึ่งแล้วส่วนที่เป็น ไม่จัดว่าเป็นบุญจัดว่าเป็นคือเมื่อพูดง่ายๆไม่เป็นไป ซึ่งมาจากความเป็นธรรมไม่ว่าจะ ในตัวของเราในกายในวาจาในจิตใจในเว้นถ้ามันจะทําขึ้นมาอยากทําขึ้นมางดเว้น ให้เว้นเสียเว้นเสียอย่าไปทําที่มันจะทําต่อ ธรรมที่เป็นอกุศลควรงดเว้นละหลาก ไม่ว่าธรรมส่วนนั้นจะทรงตัดระวางไว้ สาเหตุจากอกุศลคือได้แก่กิเลสเป็นผลอันเกิด ซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ๆคืออดีตสามารถที่จะเมื่อกิเลส ถึงมันจะในโลกนี้ความร้อนสามารถที่จะเผาผลาญอะไรได้ทั้งหมด คลื่นกําลังขึ้นมาได้จ้านั้นให้เกิดความ อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระเจ้าตรัสมันก็พร้อมที่ ท่านสอนแม่พ่อเราท่านทั้งหลายภาวะโตบโหริกะโตภาวะโตแปลว่าเจริญ ด้วยการนมมาบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างนี้ เมื่อเราเจริญได้มากคิดให้มากค้นให้มากแล้วก็ประกอบความเพียรๆเขียนไม่คล่องก็พยายามฝึกฝนฝึก จำไม่ได้ก็พยายามต้องพยายามดูพยายาม เมื่อเราได้อุบายที่จะนำวิถีจิตของเราให้รู้จักมันจะ ในที่สุดเราก็สามารถที่จะแตกฐานในเชิงในความรู้ที่สุดเราก็สามารถที่จะแตก ยังไม่เป็นไปเราก็ควรที่จะต้องขยันหมั่นเพียร ครบขันธ์ละประทานอยู่ก็ระลึกจะไว้ จนจิตจนถึงขั้นตอนพื้นฐานเราท่านทั้งหลายนั้นยัง เราควรที่จะดีพอสมควรแล้วมาผล เบากายเบาจิตสว่างสไหว กดข่มด้วยอานาตของสมาธิหรือด้วยอานาตของฌานเค้าเรียกว่าตตังคะวิมุตติ มันก็สลายไปหมดไปไม่มีในจิตดวงนั้นเมื่อจิตดวงนั้น ปัญญามีความรู้ให้แก่ดวงจิตดวงใจของเราทุกคนธรรมชาติ จิตใจของเราถึงจะมีแสงสว่างคือปัญญาอยู่ใจของให้มาเป็นประโยชน์แก่จิตใจของเราได้ถึงจะมี เมื่อเรานำปัญญาจิตของเราเป็นพื้นฐานดี เป็นอย่างไรนี่มันนอนเรื่องเป็นที่อาศัยนอนอยู่ มาเสียเลยยาวแนบสนิทติดเชื่อในจิตยากประการที่จะแยกออกเหมือนน้ํานั่นถูกอุปทานโยงใหญ่อะไร ที่เป็นหรืออยู่เสมอล่วงลับไปแล้วอยู่ตลอดเวลา ความสงบนั่นแหละคือเป็นพื้นฐานกายของ เราท่านทั้งหลายมาเจริญสมาธิพอพื้นฐานให้แก่ปัญญาเมื่อเราสร้างพื้นฐานให้อาศัยปัญญา เป็นผู้ชี้ส่งแสงสว่างบอกให้จิตรู้ชัดรู้จริงได้มีการประพฤติปฏิบัติอบรมจิต โดยได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา ศีลแล้วก็มีสมาธิปัญญาเราก็ได้นี่ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ของ เราก็สามารถที่จะพบ